ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตั้งอยู่บนความว่างนี่เองความว่างนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความว่างนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วกราวถ้าเราตั้งความสุขของเราไว้กับสิ่งต่างๆ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 นั บ, บวชหรือผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงจึงต้องปรีกวิเวกันต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาในสมัยพระพุทธการ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 เป็นสถานที่ที่จะว่างจากราบยศสนเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุด พ, พะพอะใจได้อยู่ห่างไกลจากราบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดธะใจก็จะเข้าสู่ความว่างของใจได้เข้าสู่ความสงบได้แต่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 อดเหน็ดลำคาญใจจนทนที่จะอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่ได้จำเป็นจะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะหาราบยศสารเสรินต่อไปดังนั้นเมื่อได้ไปปิกวิเวกแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยควบคุมกิเลสตัณหาไม่ให้มีโอกาส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 หยหดดำคาใจจนจะจนทนไม่ไหวจนต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะกลับไปหาราบยศสละเสรนี่แหละคือประเด็นสําคัญคือประเด็นแรกก็คือต้องให้กายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทําใจให้วิเวกใจจะวิเวกได้ก็ต้องมีสติ สตินี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะคอยดึงใจไว้ไม่ให้กิเลสตันหาโมหะอาวิชาชาฉุดลากให้ใจกลับไปหาความวุ่นวายมาอีกน่อย่างนั้นผู้ที่ใฝ่ีกวิเวกแล้วจึงควรที่จะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นมาแป๊บนี้ต้องตั้งสติแล้ว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 ทังนั้นแล้วใจก็จะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดน้ำขานใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจนไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดตรงแต่งอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ให้ความคิดตรงแต่งเกิดขึ้นมาได้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 ในที่สุดก็กลายเป็นความคิดพงซ่านขึ้นมากลายเป็นความคิดตามอำนาจของโมหะอาวิชชาของกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ทนอยู่กับสภาพที่ห่างไกลจากาลาภยศสัรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกิ่นรสโภภพธิภะไม่ได้ก็จะถูกโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาหลอกให้กลับไป หาลาบยศสลเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสโทฏฐพะใหม่ดังนั้นพยายามระมัดระวังย่ยาไปตกตกหลุมพรางของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาที่จะพยายามหลอกล่อไม่ให้เจริญสติเพื่อหยุดความคิดผุนแต่งเพื่อให้จิตเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบที่เป็นความสุข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 ไม่มีลาบยศสรรเสริญแล้วก็จะต้องกลับไปแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกินลดโภภาพธิภพต่อไปการปฏิบัติก็ถือว่าล้มเหลวปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มีความแน่วแน่ต่อการเจริญสติกนั่นเอง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 เหมือนกับกระดาษที่เราเอาอุจจาระมาหอ่อเอากระดาษสวยๆมาห่ออุจจาระถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นกระดาษสวยๆก็คิดว่าห่อขนมที่อริดอร่อยแต่พอแกะกระดาษออกดูถึงไปเจออุจจาระที่ห่อไว้อยู่จันดร่างกายนี้ก็เหมือนกับกระดาษ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 กว่าความสุขทั้งหลายที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปรมังศุญยังปรมังศุญยังก็คือใจต้องว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากราบยศสรรเสริญไม่คิดถึงเรื่องการหาราบยศสรรเสริญไม่คิดถึงการดูแลรักษาห่วงใยราบยศสรรเสริญ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 เวลาญาติโยมขอศีลแล้วพระให้ศีลญาติโยมก็ว่าอามะพันเตคาว่าพันเตนี้แปลว่าท่านผู้ใหญ่อาวุโสแปลว่าท่านผู้น้อยแต่ภาษาไทยเรามาสลับกันเรามาเรียกผู้น้อยว่าเป็นผู้อาุโสโศเวลาพูดไปก็เลยงงไม่รู้แต่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 ล ะ, ละลาบยศสารเสริญสุขจริงๆต้องบวชแบบนี้อุบาเลก็เลยต้องบวชก่อนแล้วพวกเจ้าชายคือพระอานนุ์พระอนุทะอนุทะอนุรุษพระเทวทัตเนี่ยนีเป็นเจ้าชายที่บวชพร้อมกันห้ารูปเดียกันพอบวชเสร็จแล้วเวลาเจอพระอุบาลลก็ต้องกราบพระอุบาลลก่อนเพราะพระอุบาลลท่านบวชก่อนท่านเป็นพันเต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 สเสด็จออกจากพระราชวังไปอยู่ตามโคนไม้ไปอยู่ตามเดือนร้างไปอยู่ตามป่าช้าไปอยู่ตามเนื้อผาตามถ้านั่นแหละคือที่ตั้งของความสุขที่แท้จริงแล้วก็บําเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทําใจให้เข้าสู่ความว่าง อ, อีกชั้นหนึ่งคือความว่างภายใน ได้ความว่างภายนอกแล้วก็ต้องทำใจให้เป็นว่างต่อไปก่อนที่จะทำใจให้ว่างได้ต้องทำกายให้ว่างก่อนเพราะถ้ากายไม่ว่างไม่มีวันที่จะทำใจให้ว่างได้ถ้ายังอยู่บนกองกองของราบยศฉะละเสนของรูปเสียงกิรลดโพธะอยู่ไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้ คนที่ต้องออกบวชกันที่ต้องไปปีกวิเวกันก็เพราะด้วยสาเหตุนี้ถ้าสามารถทําใจให้สงบเข้าสู่ความว่างได้บนทําการราบยศเสารเสริญรูปเสียงกลิ่นลดโพธพภะก็ไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลาอยู่บ้านจัดงานเลี้ยงกเกลี้ยงกันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเข้าสู่ความว่างกันไปเลยมันทําไม่ได้มันคนละเรื่องกันต้องมาอยู่ปลีกวิเวกไม่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 ไม่ให้โจรผู้ร้ายมาฉกชิงเอาไปโจรผู้ร้ายที่จะมาฉกชิงความว่างความสงบนี้คือไก่ก็คือกิเลสตันหานี่เอความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บปัญญาต้องฟักด่าฟ อ, อกมาฟันทันทีฟันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยากจะดื่มก็บอกมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขะสุขชั่วคราวสุขเดี๋ยวเดียวพอไม่ได้ดื่มก็ทุกข์แล้ว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 อลาสยถาสพิตโยวิวาชนตุสัพพโรโววินาศตุมาเตภวะทวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริกสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมาวัฏานติอายุวโนโอสุขังภาลาง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 เขาไม่ดีก็รับรู้ว่าไม่ดี응ก็เท่านั้นเอง응ถ้าเรายัางทำอะไรให้กับเขาได้อยู่แล้วเขายินดีให้เราทำเราก็ทำไปถ้าเขาไม่ยินดีให้เราช่วยเราก็ไม่ต้องช่วย응ก็มีเท่านั้นคาถามข้อต่อไปจะกคุณญิงเลวินกน้อยนะครับผู้ที่ทำบุญสร้างบุญเสมอเสมอด้วยเงินที่ได้จาก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 เรื่องของบุญก็มีผลของบุญเราทำบาปเราก็ต้องรับผลของบาปไปเช่นเราทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะจับเราไปลงโทษเราทำบุญเราทำความดีไว้เวลาขึ้นศาลศาลอาจจะพิจารณาความดีที่เราทำไว้ก็อาจจะลดหย่อนผ่อนโทษของของการทำผิดของเราได้อันนี้มันก็มีส่วนในลักษณะอย่างนี้ แต่จะไปลบล้างบาปเลยทีเดียวมันไม่ได้สารเขาย่างก็ต้องตัดสินว่าผิดเพียงแต่ว่าสารจะมะีความเมตตามากน้อยเพียงเลยถ้าเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์กับสังคมสารก็อาจจะมีความเมตตามากแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมสารก็คงจะไม่เมตตามากดังนั้นคนที่เหมือนถึงแม้ว่าจะทาบาป แต่ก็ยังทําบุญอยู่ก็จะเบี่ยสักศีมีเปียได้ได้เปรียบ ก, กับคนที่ทําบาปแล้วไม่ทําบุญนี่คือตัวอย่างแต่เขาทําบุญด้วยเงินที่ได้มาจากการคดโกงใช้เงินคดโกงไม่สุจริตทำครับพระอาจารย์ก็ดีกว่าคนไม่ไม่ทำนั่นแหละใช่ไหมครัคนที่คดเอาเงินที่คดโกงมากินเหล้าเมายากับคนที่เอาเงินคดโกงมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาล มาแจกจ่ายให้คนยากจนนี่ก็เป็นรอเปนพูดใช่ไหมคำถามข้อต่อไปจากคุณเกิดแล้วเกิดอีกนะครับชื่อดีกันการเปิดเทศธธรรมะครูบาอาจารย์แต่ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงจังจังๆนั้นควรหรือไม่ควรอย่างไรก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลมาก <laughs> <laughs> แต่อยากจะได้ฟังได้ผลมากก็ต้องฟังอย่างต่อเนื่องถ้าฟังครึ่งหนึ่งก็ได้ผลเพียงครึ่งเดียวดังนั้นเวลาฟังธรรมยังไม่ควรทำอะไรทั้งหลายไม่ควรคิดเ้ื่องอะไรให้จดจอ่อให้ฟังอย่างเต็มที่จะได้ผลอย่างเต็มที่จะได้บรรลุธรรมได้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 พูดกันอยู่เรื่ยๆว่ายอมหยุดเย็นสามยอจําไว้นะหอยท่องสูตรสามย่อไว้ยอมแพ้พอยอมแพ้ก็หยุดที่จะตอบโต้พอหยุดตอบโต้ใจก็จะเย็นสบา ย, <c oughs> <c oughs> ยออจาไว้นะสามยอนะ <c oughs> ยอมหยุดแล้วก็จะเย็น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 มีได้เป็นโหลนแต่สมัยปัจจุบันนี่ลูกมันราคาแพงก็กเกินเลี้ยงแต่ละคนนี่มันหมดเป็นล้านลูกมากจะยากจนก่อนทีงมีพูดนั้นการจะมาเกิดเป็นมนุษย์คิวมันยาวคนหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้มีลูกแค่คนเดียวอย่างเมืองจีนเนี่ยไหเขาคอยควบคุมบังคับไม่ให้มีลูกมากจนเกินไปส่วนไอ้ที่ไอ้ทดลองด้วยไอ้เาเรียกไอ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 อย่างมดนี่มแมลงนี่เป็นไงจานวนของเขาเขาเกิดกันทีเป็นครอกเป็นฝูงเลยมนุษย์เราในโลกนี้มีแค่ไม่กี่พันล้านคนแต่นับจํานวนสัตว์โดยเด็ดรวมไปถึงมดมแมลงปลาไส้เดือนไส้หนอนตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นกอะไรมันมากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่พันเท่ากี่ล้านเท่า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 ว่าเวลาเดินจงกรมเราใช้เราต้องใช้สังขารสัญญาความคิดปุงแต่งพิจารณาทำต่างๆแล้วก็เดินได้ได้นานกว่านั่งนั่งไปนานๆมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดจะเมื่อยกว่าการเดินดังนั้นเวลาเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วมกักจะใช้การเดินเป็นการเจริญปัญญาการเดินการยืนด้วยการทำอะไรต่างๆไม่ว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ก็สามารถเจริญปัญญาได้ ส่วนเวลานั่งนี้จะพุ่งไปที่การเข้าเข้าสู่ความสงบเป็นหลักยกเว้นในกรณีที่นั่งแล้วเจอทุกขเวทนาตอนนั้นก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางเวทนาเพพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจ์ทุกขังวนัตตาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าจิตเป็นผู้รู้จิตต้องปล่อยวาง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 เหมือนกับเรียนจบแล้วได้รับปริญญาแล้วอย่างเรียกว่ายานส่วนชานนี้คือความนิ่งความสงบของใจแต่นี้มันเขียนด้วยชอกระเชยกะยอหญิงมันต้องติตามไม่ดีมันก็อ่านชาญเป็นยานเห็นยานเป็นชาญเหมือนกับอาวุา โ, โสเป็นพันเตพันเตเป็นอาวโุโสมันเลยสับสนกันไปหมดเล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 สมัริการครับอาจารย์คือผมกลาบเรียนถามว่าคืออันนี้พ่อผมปากมาคือพ่อผมเป็นคนไหวพระสวดมนต์อยู่เป็นประจํำและนั่งสมาธิพอท่านนั่งสมาธิอิจท่านเป็นสมาธิท่านจะมองเห็นท้องฟ้าและมีแสงสว่างส่องลงมาและมีดาวเต็มไปหมดท่านว่าท่านติดอยู่ตรงนี้อยู่เป็นประจำอยู่มาหลายเดือนแล้วท่านว่าท่านแตกฉานเรื่องธรรมะท่านเลยอยากปากถามอาจารย์ว่า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 วันนี้ก็ดีหมดปัญหาเอจะได้จบงานเสร็จงานเสร็จธุระของเราเราจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนได้ท่ดันข้ามพอดีคณะของที่จะเป็นเทียนกับที่จะของกหรับที่จะถึงของวัดข้างล่างค่นที่เคยทําทุกปีอ่ก็รับอ่าก็รับไปแล้วก็นุบทนาแต่ก็เทียนนี่เราไม่แน่นะบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลง แล้วแต่ว่ามีพระอาวุโสมารับหรือไม่ถ้ามีพระอาวุโส ร, รับก็เราก็ไม่ต้องลงถ้าไม่มีพระอาวุโสเราก็ต้องลงเพราะว่าเป็นกฐินหลวงต้องมีพัดยศไปกล่าวคำถวายอดิเลกถ้ามีพระอาวุโสกว่าท่านก็จะมีพัะยศมาเราก็ไม่ต้องลง แต่ถ้าไม่มีพระอาวุโสกว่าเราก็ต้องลงไปเอาพัยดยศไปกาวอธที่เล็ก <c oughs> แตเรื่องกระถิ่นนี้เราไม่ได้เป็นผู้รับเรามอบให้กับพระที่ท่านลองพระลำดับลองลงไปให้ท่านมีหน้ามีตาบ้างเรามีหน้ามีตาคนเดียวมานานแนละ้วขอให้คนอื่นเขามีหน้ามีตาบ้างก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่รับกรถิน่น แต่ักบาตรเทวโอการเดินนำใช่ครับอาจารย์ก็ยังเดินอยู่เดินอยู่ต mm ักบาตรเทวโวก็จะเป็นวันพระมไม่ใช่วันแรมหนึ่งคำปกติตามธรรมเนียมแล้วเจะตักวันแรมหนึ่งคำคือวันพระนี่สิบห้าคำยังไม่เป็นวันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของพรรษาวันออกพรรษานี่ต้องเป็นวันแรมหนึ่งคำคือคือเขาจะเหมือนกับว่าทำตามประเพณี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 วันพระแทนก็จะต่างกับวัดทั่วๆไปวัดทั่วๆไปจะจัดวันแรมหนึ่งคำส่วนวัดยาเนี่ยก็จะจัดวันขึ้นสิบห้าคำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกันใส่บาตรวันนี้กับใส่บาตรวันออกเทออกพรรษาก็ได้บุญเท่ากันอย่าไปคิดว่ามันต่างกันตางไหนต่างตรงที่ใส่นาใส่มากหรือใส่น้อย ถ้าอยากจะได้มากก็ใส่มันมากมากอยากได้น้อยก็ใส่น้อยไม่ใช่ไปเลือกวันว่าต้องเป็นวันวิสาขะวันมาค่ะวันออกพรรษาถึงจะได้บุญมากมันไม่มากหรอกมากน้อยอยู่ที่คลั่กกระเป๋ามากหรือน้อยคั่น้อยก็ได้น้อยเกสิบห้าคน่ยไม่ใช่แลมหนึ่งคำแลมหนึ่งำเป็นวันออกพรรษา เขาเกียนมันออกปัญษาวันที่เก้ามั้ท่นานจะไปทำเครของที่หมคนและเอามาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเ่อเป็นกรินแล้วนะแต่ท่านจะพิจารณาก็เป็นของสงไปให้สงพระที่อยู่บนเขาได้แบ่งกันใช้ไปอนนนเองอนนแต่ถวายเนื่องในวาระเขาา้ทาทอดกรถินเท่า น, น, นั้นเองแต่ไม่ได้เป็นบริว า, การกระถิน่น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 จัดวันบวชให้ในช่วงที่บิดามารดาเขามาเยี่ยมส่วนจะได้หรือไม่ได้นี่ก็รอดูไปเพราะพอดีก็เป็นช่วงที่ทางบ้านเขาหยุดเทร ศ, รศกาลพิสมานช่วงยี่สิไปแล้วมึงเห็นบอกจะมาก็เห็นบอกว่าพวกเราอยากจะเป็นเจ้าภาพ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 เพราะพระอุปชาที่วัดนี้ท่านไม่บวชชาวต่างประเทศให้ท่านบอกว่าท่านพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่สามารถที่จะสั่งสอนได้ mm hmm. ก, ก็เลยไม่บวชให้ mm hmm. ก็เลยไปขอให้พระเจ้าวาดที่วัดพระรามเก้าท่านก็เมตตาบวชให้เมื่อคราวที่แล้วที่ท่านมาก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่ามีชาวต่างประเทศอสองรูปที่จะบวช ท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พาไปพบท่านได้ก็<ม>คิดว่าอาจจะไปบวช ท, ที่นั่นอันนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวนะถึงเวลาก็ลู้เองบวช ท, ที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> มันทุกอย่างมันนั้นไม่จังมันไม่แน่นอนเหรอเราอย่าไปผูกใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันใดวันหนึ่ง เดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้แล้วก็จะเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำแบบสันโดษยินดีตามมีตามโกรเมื่อไรจะเกิดก็เกิดเมื่อนั้นถ้ายังไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่เป็นไนก็เพียงแต่จ้งให้ทราบไว้การคิดว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้ว